เราโกรธเราจะมีความโกรธเราโลภก็<ล>กกมีความโลภเราทุกข์ก็มีความทุกข์น <c oughs> ันเรียกว่าผิด <c oughs> ต้องแก้กรรมเรียกว่ากรรมาฐานเคยเคยหลงมาจังหลงเคยทุกข์มจังทุกข์ ถาจะมาฝกกรรมาฐานกันกรรมเคยที่ตัง้งฐานฐานเคยที่ตัง้งกรรมคือค ก, กอารกระทากรรมฐานแค่แค่กรรมที่ทํามาได้เวลามันหลงเปลี่ยนหล ง, ลงไปไม่หลงเพราะเราเห็นมันเราไมีสติ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 โต้ดให้มันเห็นเหการต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมีสติโตตอบทักท้วงเวลานี้ไม่ใช่มานั่งโศกนั่งทุกข์นั่งคิดแต่มามีสติมีการกระทำมีที่ตั้งเอาไว้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 เปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนถูกเป็นเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกอันนี้ต้องหัดทำให้มันเป็นเราต้องหัดถ้ามีภาวะที่รู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้ใช้ถ้าไม่มีภาวะที่รู้ไว้ก่อนก็มไม่มีความรู้ใช้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 เปลี่ยดำเป็นกรมขาวให้หมันคนละอย่างสัมผัสตัวอัดสัมผัสไม่ใช่ชิดหลงเป็นยังไง ร, รู้เป็นยังไงทุกเป็นยังไงไม่ทุกเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงไม่โกรธเป็นยังไง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 มันจริงจะเป็นมันจึงใช้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนขนาดที่มันไม่ถูกถ้ามมนเป็นถูกมันก็ใช้มาได้มันก็ผิดเรื่อยไปผิดก็ผิดไปแต่พื้ตะเเอไปลไกลผิดที่การกระทำของเราก็ผิดอีกอีกหลายอย่างไป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 ถ้าหัดให้มีภาวะที่รู้แล้วมันก็ไปเรื่อยไปถ้าหลงเป็นรู้ถ้าทุกข์เป็นรู้มันมาเช่อยู่แช่นีเมื่อเราเปลี่ยนอะไรแล้วมันก็เป็นอะไรที่ต่อไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณสะดวกอะไรที่มัเกิดขึ้นเห็นอันหนึ่งเห็นอันหน่งเป็นหมวดเป็นหม่ไป ไฟผิดไฟถูกตางอย่างลู่อย่างเดียวไปกกลถ้ามันมียานมีปัญญามีเหมือนแสงสว่างแสงสว่างน้อยก็เฉดเชดเล็กน้อยจะวางใหญ่ใหญ่เช่นดวงอาทิตย์ก็ลู่แจ้งโลกจะติปัญญาของเรานี่ก็เช่นกันถ้ามีมาก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 ถ้ามันเริ่มต้นตรงนี้ก็ไปไม่ได้โซ่ไม่แชื่อคุจไม่ไขไมันไม่หลุดมีกายมีเวทนามีจิตมีธรมรมกายก็คือร่างกายนีอะไรมันจะเกิดขึ้นก็เกิดที่นี่ให้หัดตรงนี้ก่อนอย่าเอากายมาเป็นตัวเป็นตนจึงได้ที่เกิดขึ้นกายที่เห็นแล้วก็มีอาการหลังต่าง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 แล้วก็ถ้าเปลี่ยนไปแล้วความหลงครั้งสุดท้ายของทุกข์ครั้งสุดท้ายของโกรธครั้งสุดท้ายนั่นก็ไปไกลเป็นมากเป็นขนเนื้อการเกิดเจยบตายเนื้อการเกิดการแก่การเจ็บวันตายได้เพราะเราก็เป็นทุกข์ตอนที่เราได้สาเทพรบุตรจำหน้าออกลูก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 อดีตที่ผ่านมาอย่างที่นี้อะไรที่มันหมดไปมันก็หมดไปแล้วไม่เคืนมาแล้วเฉิยงเสือคล้องล่องก็หมดไปแล้วเฉียงแก้งกวางลองก็หมดไปแล้วเฉียงช่างหรือหอกลกองก็หมดไปแล้วเฉียงเหล่ไหลก็หมดไปแล้ว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 แล้วก็จำที่หมายแรกนาฟังตอนเย็นตอนค่าก็ค่อยๆไปเห็นลันนอนเป็นหมูก็นอนเป็นหมู่นน เ, มเขาก็กล้ามมาเวลามานอนหลับเขาก็มาคล้องออกมาคล้องเอ า, า, อเอาดึงต้นลงมาดึงตัวนี้ลงมา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 เป็นพ่ออะไรก็ไม่ชอบเป็นพ่อนกแซงแสวแซงแซวมาชอบชอบเวลาเลยอะไรบินอ่ะมันฉบขึ้นไปเอ่ยบนอากาศมันก็บินโฉบกินบรอากาศบางทีก็เจ๊งกาเวลามันล้องอยู่เช่นกาขึ้นไปน ก, กินถ้ากวาวก็คานขึ้นไปกิน จัตที่อยู่ในเดียนเช่นชิ้งดีชิ้งปมก็มีตะขราบก็ไปเกินมิตรศัตรูมัอก็เลยไม่เหลือจัตประเภทใดที่โง่ก็หมดไปแล้วโงดไอ้ฉิกไอ้เหลืองเฉียดไอ้ฉีกไอ้เหลืองไอ้โงดไอ้หลืงไอ้อือง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 ส่ิบห้าสามสิบสี่สิบไปก่อนแม้แต่เราก็เหมือนกั น, นตาก็ใช้สายตาไม่ได้มปนหูใช่หูไม่ได้นี่แต่ก่อนเมื่อแถ็งแรงมากตอนี้อ่อนแอต้องต้องหมดไปแน่นอนเรารู้แล้วทำนายไว้ก่อนแล้วทำนายไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เหนื่เชีง่งตั้งแต่อายุสามสิบปีสามสิบกว่าปี มันตอบไปแล้วแลนี่ความไม่เที่ยงตอบไปแล้วไม่เอาว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอนี่ความเป็นทุกข์ตอบได้แล้วนี่การแก่นีการเก็บนี่การต า, ายตอบได้แล้วเวลาเมื่เกิดขึ้นมาเขาบอกว่ารูา้แล้วรู้แล้วนาเป็นโรค ก, ก, ก็เนื้อในตั บ, ตบหมอบอกว่างไม่มีราาักษารู้แล้ว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 ยังจะเร้ว่าชีวิตยังจะเราว่าภวฌันดูดพ้นจากทุกอย่างที่อยในกายในใจนี่ถ้าเราไม่ศึกษาก็มีแต่บ่วงมีแต่พาละหนักขันดังหน้าเป็นของหนักเพราะเราไม่รู้อ่น้อนก็ไม่รู้เราล้น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 เป็นทางไปสะดวกไปเหมือ น, นเราเรือนทางเห <c oughs> มือนขับรถทางเกี่ยวเหมือนขับรถทางกทจรขับขันติดขัดตาตวากาก็วิ่งเอาวิ่งเอาได้สะดวกได้ต่กรรมฐานเหมือนเป็นเชนนั้นถึงเขาสะดวกก็สะดวกจริง เขาเคยพูดว่าเมื่อกเราเดินเข้าไปในที่ประตูไฟฟ้าดีหมด<ถ>เขาเื่นสนามดินก็เดินเข้าไปมันก็เปิดประตูให้ใหไม่ต้องไปใช้แรงเปิดมันเปิดเอง เนถนนไหลทางไหลเวลาเราขึ้นเหยียบไปไหลเปียถ้าเราลงมันก็หยุดถ้าเราขึ้นเหยียบมันกนไหลเปมันสะดวกฉินสมาธิปัญญาทำให้เกิดสะดวกฉินช่วยสมาธิช่วยปัญญาช่วยเป็นธรรม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 ตางคนต่างลองทนต่างคนต่างนับหนึ่งปัญหาก็จบตันทีน่าตะเบียดเบียนตนก็ไม่ทำคิดก็ไม่คิดจะเกิดอะไรขึ้นพ้อมีสติเประเจ้าของชีวิตไม่เป็นไายกับวันไม่แต่ทำหน้าที่ขนขวายเพื่อประโยชน์เพื่อกลูนตกโลกอะไรผิดอยากจะบอกอะไรถูกก็อยากจะบอก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 นราไปทําลองดูมีกําลังสักหน่อยมีความเดินสักหน่อยมีศรัทธาสักหน่อยแก่ก้าสักหน่อยในเวลามาทุกข์มาทุกข์ตื่นลองดูกแก่ก้าอยู่ดีจะทุกขนะ์เดินอยู่ดีจะมาทะเลาะ ก, กันเลยอยู่ดีจะมาโกรกันเลยนะยิ่งเราไม่ครอบไม่ครองนะจะโกรกทะเลาะ ก, กันเพราะรูกัโอ้อยู่ดีแล้วจะโกร ก, กกันเลยทะเลาะกันน่ยนะ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 ถ้าหยุดไม่เป็นมันก็อันตรายเหมือนรถาวิ่งแล้วมันหยุดไม่เป็นอันตรายต้องซ่อมนี่เราว่ะหัดซ่อมหัดเข้าฟิตเข้าอู่เวลามันหลงให้มันรู้ซ่อมแล้วแลวมันทุกขให้มันรู้ซ่อมแล้วซ่อมได้ตอนไหนดีได้อน